เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปลอยน้ำได้มีมานานแล้วนะคะหากจะถามว่ามันเป็นนิยายประดมประลาใช่หรือไม่คำตอบก็คือในหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปลอยน้ำเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะเหตุผลก็คือน้ำหนักของพระพุทธรูปมวลสารที่ใช้ในการสร้างพระพุทธรูปล้วนแล้วแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทาให้พระพุทธรูปจะลอยน้าได้เลยแต่ว่าทาไมจึงมีความเชื่อกันว่า พระพุทธรูปบางองค์นั้นลอยน้ําได้ซึ่งว่ากันว่าพระพุทธรูปลอยน้ําได้นั้นมีด้วยกัน5องค์นะคะซึ่งก็จะขอจําแนกแยกออกได้ดังนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่จังหวัดนครปฐมหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อวัดเขาตะคราวจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามและหลวงพ่อเพชรจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ในเวลาเดียวกันเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปลอยน้ําก็ยังคงมีปรากฏขึ้นอยู่เนืองๆ เ, เช่นพระนอนที่วัดพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระลอยวัดพระลอยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปมปริศนาชวนให้ต้องขบคิดเพื่อที่จะตามล่าหาความจริงกันต่อไปเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปลอยน้าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงกุสโลบายเท่านั้น วัดพระลอยไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างตั้งแต่เมื่อใดแต่ประมาณการกันไว้นะคะว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของทางวัดได้แก่พระลอยนั่นเองค่ะสำหรับประวัติความเป็นไปเป็นมาของพระลอยก็มีความเชื่อกันมาช้านานแล้วนะคะว่าพระลอยเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลนะคะอายุประมาณ7 0 0ถึงปี สำหรับพระลอยองค์นี้ได้ลอยน้ำมาจากทางเหนือทำขึ้นมาจากหินทรายขาวน้ำหนักของพระโดยประมาณ200กิโลกรัมค่ะคุณลุงจำนงไทยทวีซึ่งปัจจุบันอายุก็74ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลวัดพระลอยก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าสมัยที่ลุงจำนงบวชเป็นพระก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เจ้าอาวาสของวัดในเวลานั้นก็คือหลวงพ่อแต้ม เมื่อเอ่ยชื่อหลวงพ่อแต้มทุกคนในจังหวัดสุพรรณบุรีต่างยกย่องให้ท่านเป็นพระเกจิที่มีวิชาอาคมสูงมากความมีชื่อเสียงของท่านค่ะก็ทาให้จอมพลปอพิบูลสงครามมีความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอันมากเมื่อท่านเดินทางไปราชการยังประเทศอินเดียท่านยังนิมนต์ให้หลวงพ่อแต้มตามท่านไปด้วย มีเรื่องเล่ากันเขาว่าเมื่อไปถึงประเทศอินเดียรถที่มารับจอมพลปออกับพวกเสียอย่างกระทันหันค่ะในขณะนั้นก็ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพลลขับซึ่งเป็นช่างเครื่องที่มีความสามารถนะคะก็พยายามแก้ไขแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จค่ะซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อแต้มนั่งอยู่ทางตอนหน้าของรถท่านก็ได้หลับตาบริกรรมคาถาอยู่ภาคหนึ่งจากนั้นก็ได้เอามือไปจับที่พวงมาลัยรถพร้อมกับพูดขึ้นว่าไปกันได้แล้ว จอมพลปท่านได้แปลที่หลวงพ่อแต้มพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้คนขับรถเข้าใจที่หลวงพ่อแต้มพูดนะคะปรากฏว่าทันทีที่สตาร์ทรถเครื่องยนต์ของรถก็ทางานทันทีค่ะเรื่องราวนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคณะเดินทางเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อแต้มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คุณลุงจำนงยังได้เล่าต่อไปอีกนะคะว่าสมัยที่แกบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดพระลอยคืนหนึ่งแกตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงคนกำลังคุยกันที่ท่าน้ำแกจึงออกมาดูก็พบว่าเป็นพวกขโมยกำลังอุ้มหลวงพ่อพระลอยใส่เรือสำปัน้นเรือสำปั้นลำนั้นกว้างมากค่ะจุคนได้เป็น10บสิบคนตอนนั้นคุณลุงได้ไปตามพวกเด็กวัดคิดจะจับขโมยส่งตารวจนะคะ มันเป็นเรื่องแปลกที่พอพวกขโมยก้าวลงเรือเรือลำนั้นก็ล่มลงทันทีหลวงพ่อพระลอยได้แสดงปาฏิหาริย์จมลงใต้น้ำทันทีเช่นกันส่วนพวกขโมยก็ว่ายน้ำเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางคุณลุงกับพวกเด็กวัดก็นั่งเฝ้าคิดว่ารุ่งเช้าจะลงไปงมหลวงพ่อพระลอยขึ้น คุณลุงนั่งเฝ้าจนกระทั่งเผลอหลับไปพักหนึ่งจนกระทั่งเสียงหมาเห่าดังขึ้นค่ะลุงกับเด็กวัดจึงลุกขึ้นไปดูหมาที่กำลังเหา่าแล้วก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะคะว่าขณะนั้นหลวงพ่อพระลอยได้มาตั้งอยู่ที่ริมตะลิ่งแล้วเรียบร้อยคุณลุงจำงยังเล่าต่อไปอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าหลวงพ่อพระลอยท่านศักดิ์สิทธิ์มากท่านมักจะสําแดงปาฏิหาริย์อยู่เนือง เคยมีคนร้ายพยายามขโมยท่านหลายครั้งแต่ก็เอาท่านไปไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อพระลอยอยู่ในโบสถ์หลังเก่าพวกคนร้ายจึงได้แอ บ, บงัดประตูเข้าไปพออุ้มหลวงพ่อมาถึงรถก็ปรากฏข่าวว่ารถสตาร์ทไม่ติดแถมเครื่องยังพังเสียหายอีกต่างหากในที่สุดคนร้ายก็ต้องทิ้งรถไว้ที่วัดแล้วก็หนีไปโดยไม่ได้อะไรเลยแถมยังถูกยึดรถไว้ที่โรงพักด้วยนะคะ ทุกวันนี้จะมีคนมากราบไหว้หลวงพ่อพระลอยเป็นจำนวนมากซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ก็อยากเชิญชวนให้ญาติโยมมาเที่ยวที่วัดพระลอยแล้วจะได้บุญกลับไปซึ่งปัจจุบันหลวงพ่อพระลอยท่านได้มาประดิษฐานอยู่ที่โบสถ์หลังใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำด้านวังมัดชา หลวงพ่อพระลอยองค์ที่อยู่ด้านล่างซึ่งทางวัดจัดให้ญาติโยมได้ปิดทองเป็นเพียงองค์จำลองเท่านั้นซึ่งทางวัดได้ทำขึ้นส่วนหลวงพ่อพระลอยซึ่งเป็นองค์จริงค่ะประดิษฐานอยู่ด้านหลังแล้วก็ไม่อนุญาตให้ญาติโยมปิดทองที่องค์พระนะคะที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าด้านซ้ายมีองค์พระราหูกำลังอมจันทร์ตั้งอยู่ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็เชื่อกันนะคะว่าการบูชาพระราหูนั้นมีขั้นตอนเล็กน้อยแต่ว่าไม่ควรจะมองข้ามนั่นก็คือเวลาที่จะบนบานสารกล่าวควรที่จะทำในเวลากลางคืนเนื่องจากว่าพระราหูจะมีพลังมากเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นค่ะสำหรับเครื่องบูชาเป็นของดำแ8อย่างด้วยกันในการเะดาะเคราะห์ ดวงชะตารับส่งพระราหูหลายท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่ามีเงื่อนปรมปิศาว่าอย่างไรวันนี้ทางาช่องพระเจอผีแล้วก็เพจพระเจอผีนะคะก็ขอนํามาถ่ายทอดให้ทราบดังนี้นะคะไก่ดําหมายถึงคุ้ยเขียข้าขายดีเหล้าดําหมายถึงความกล้าในการเสี่ยงเพื่อการลงทุนค่ะกาแฟดําหมายถึงความสมหวังในสิ่งที่ต้องการอยากจะได้ เ้ากลวยหมายถึงความใจเย็นมีความคิดรอบคอบถั่วดำหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเข้าเหนียวดาหมายถึงความเหนียวแน่นในเรื่องการเงินขนมเปียกปูนหมายถึงการปูนบำเหน็จรังวันแล้วก็ความสาเร็จแล้วก็โชคลาภนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะไข่เยี่ยวมาหมายถึงการวิ่งเต้นหรือการติดต่อเพื่อให้ได้รับความสาเร็จค่ะ สำหรับหลวงพ่อพระลอยมีเรื่องเล่าขานกันอีกนะคะว่าเมื่อท่านลอยทวนกระแสน้ํามาหยุดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระลอยชาวบ้านได้พยายามจะนําท่านขึ้นมาจากน้ําแต่ไม่สําเร็จแม้ว่าจะใช้คนจํานวนมากก็ตามแต่เมื่อมีการอาราธนาตามพิธีกรรมที่ถูกต้องปาฏิหารก็ได้บังเกิดขึ้นต่อสายตาคนเป็นจํานวนมากหลวงพ่อพระลอยได้ขึ้นมาจากน้ําอย่างง่ายดายโดยใช้คนยกเพียงคนเดียวเท่านั้นเองค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะคะว่าทําไมหินที่มีน้ําหนักตั้งมากตั้งมายแต่ว่ากลับลอยน้ําได้ทุกคําถามต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนมีคําตอบอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วและเรื่องราวของพระพุทธรูปลอยน้ําก็เช่นกัน mm. เพียงแต่ว่าใครจะให้เหตุผลได้ดีกว่ากันเท่านั้นค่ะ มากันที่ปริศนาเมืองลับแลกันต่อเลยนะคะเป็นตำนานที่เกิดขึ้นในเมืองเพชรชบุรีนั้นมีอยู่มากมายหลายเรื่องถ้าหากจะนํามากล่าวถึงก็คงจะไม่พอหน้ากระดาษหนึ่งเป็นแน่นะคะดังตัวอย่างตำนานเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเพชรชบุรีว่าบริเวณเมืองเพชรชบุรีแต่เดิมเคยมีภูเขาลูกหนึ่งเต็มไปด้วยเพชรพลอยแล้วก็จะส่งแสงระยิบระยับแวววาวออกมาเวลากลางคืนซึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกล แต่ว่าสำหรับเวลากลางวันเพชรพลอยเหล่านั้นกลับหายไปอย่างลึกลับซึ่งแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามขุดค้นเสาะหาแต่ก็ไม่พบนะคะเมื่อหาตอนกลางวันไม่พบก็ขึ้นไปหากันในยามค่ำคืนค่ะพอพบเจอพลอยก็เอาปูนแดงที่กินกับหมากป้ายเป็นเครื่องหมายไว้หวังจะมาขุดในตอนกลางวัน ครั้นเวลารุ่งขึ้นค่ะกลับมายังตำแหน่งเดิมที่ทำเครื่องหมายไว้ขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบเช่นเดิมชาวบ้านก็เลยเข้าใจกันนะคะว่าเพชรพลอยเหล่านั้นเป็นของวิเศษที่หนีหายได้ เมืองเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีทะเลมีแม่น้ําแล้วก็ภูเขาอยู่ครบครันม่ใช่ชื่อเสียงโดดเด่นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนจังหวัดอื่นๆเมื่อเมืองเพชรบุรีมีความโดดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างครบครันเช่นนี้จึงไม่แปลกนะคะที่จังหวัดนี้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่มากมายอย่างเช่นเรื่องของเขาหลวงค่ะซึ่งเป็นภูเขาลูกเล็กๆที่มีความงดงามของธรรมชาติ ทำให้ภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันในความงดงามนั้นก็ยังคงแฝงไปด้วยเรื่องราวเร้นลับมากมายนอกจากนั้นก็ยังมีปริศนาขุมทรัพย์มหาศาลที่ไม่มีใครสามารถนำออกมาได้หรือความลี้ลับของคนเมืองลับแลสำหรับตำนานแห่งป่าเหล่านี้นะคะถูกเล่าขานสืบต่อกันมาบนพื้นฐานความจริงหรือไม่นั้น ไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เล่าขานกันไม่รู้จักจบสิน้นก็ยังเป็นที่สนใจของผู้คนที่ไปเยี่ยมเยืยนเสมอนะคะวัดบุญทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ว่าวัดถ้ำแกลบค่ะตามลักษณะแปลกประหลาดของถ้ำขนาดเล็กๆในวัดที่มีแกลบกองอยู่กลาดเกลื่อนเต็มไปหมดซึ่งก็ไม่มีใครทราบได้นะคะว่าแกลบเหล่านั้นมาจากไหนจึงเรียกกันว่าถ้ำแกลบนั่นเอง วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในเมืองเพชรนะคะที่ตั้งอยู่เชิงเขาหลวงและก็เป็นที่มาของตำนานคนเมืองลับแลค่ะในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสทํำแกลบก็ได้มีบันทึกลงไปในหนังสือจดหมายเหตุนะคะว่ามีคำลือพิเศษถึงสมภารเจ้าวัดตั้งแต่ครั้งโบราณสี่องค์คือพระนอนนี้วัดถ้แก้วเขาวังหนึ่งเขาบันไดอีกหนึ่ง และวัดถ้ำแกลบเขาหลวงหนึ่งวท่านทั้งสี่นี้จะไปมาหาสู่กันย่อมเดินในถ้ำใต้ดินเป็นปล่องทะลุถึงกัน ฟังดูเป็นเรื่องแปลกว่าในถ้ำเหล่านี้แต่โบราณมีข้าวของวิเศษต่างๆชั้นที่สุดถ้วยโถโอชามก็มากมายครามครันคนครั้งกระนั้นได้อาศัยยืมใช้สอยแล้วส่งคืนครั้นการล่วงมาพวกที่ละโมบเลยเก็บไว้เสียเองไม่ส่งพูดพลายที่รักษาขัดใจเลยปิดถ้ำเสียจนทุกวันนี้ ต่อมานะคะพระปริยัติธรรมธาดาหรือว่าแพตาละลักษ์นะคะซึ่งเป็นชาวเมืองเพชรบุรีค่ะก็ได้เล่าเรื่องขยายความถึงความเป็นมาของถ้าแกลบไว้ในหนังสือเรื่องตำนานเมืองเพชรบุรีเมื่อเดือนเมษายน2546ค่ะว่าแต่ก่อนมีผู้คนพบเห็นแกลบกองเท่ากระดูกในถ้าบ่อยๆก็ว่ากันว่าชาวลับแลเนี่ยสีข้าวตําข้าวแล้วก็เอาแกลบมาทิ้งที่นี่จึงได้ชื่อนะคะว่าถ้าแกลบ ชาวเมืองลับแลมีรูปร่างอย่างคนเรานี่แหละแต่ว่าค่อนข้างจะสวยค่อนข้างจะหลอ่อสะอาดสะอ้านกว่าคนพื้นเมืองเราเขามีเมืองของเขา แล้วก็สำหรับบ้านช่องเรือนชาญต้นหมากพันไม้นั้นก็เป็นเหมือนอย่างเราชาวเมืองลับแลมีของวิเศษเป็นเครื่องกำบังตัวทำให้เราไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้ยกเว้นบางคนที่บังเอิญหลงทางไปพบหรือพระสงฆ์ผู้เคร่งในศีลวัรจึงสัมผัสได้เท่านั้นพวกลับแลเป็นพวกมีศีลมีสัตว์พูดคำไหนคำนั้นเขาพูดปดไม่เป็น แต่ทุกวันนี้ค่ะแกลบดังกล่าวไม่เคยมีปรากฏให้เห็นแล้วก็คงเนื่องจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหรือว่าคนยุคนี้ไรซึ่งศิลธรรมอันดีงามชาวเมืองลับแลจึงไม่ค่อยออกมาปรากฏตัวให้คนได้เห็นก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านเมืองใต้ดินของเขาไปตลอดกาลละนานมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่คนโบราณกล่าวขานกันบอกว่าหากคนใดซื้อของไม่ต่อราคาก็มักจะเป็นพวกลับแล ดังนั้นก็หมายความนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวลับแปลมักจะขึ้นมาปะปนกับพวกมนุษย์อยู่บ่อยๆจนทำให้คนเก่าคนแก่สังเกตถึงความแตกต่างระหว่างชาวลับแลและก็คนพื้นเมืองได้ค่อนข้างชัดเจนนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าในทำนองเดียวกันอีกนะคะว่าที่สามารถทำให้เข้าใจถึงคนเมืองลับแลอย่างดีก็กล่าวกันสืบต่อมาบอกว่าเมื่อครั้งกระโน้นเนี่ยมีชายหนุ่มเมืองเพชรบุรีคนนึง ซึ่งพาครอบครัวมาปลูกเรือนอาศัยอยู่บริเวณถ้ำแกลบสมัยนั้นนี่ยังเป็นป่าต้นตาลไม่มีวัดชายดังกล่าวก็ได้ปีนไปบนยอดต้นตาลแล้วก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งทั้งชายทั้งหญิงหากระดบุงเปล่าๆออกมาจากถ้ำแล้วก็ทําอะไรอย่างลุกๆนั่งๆคล้ายกับกำลังซุกซ่อนอะไรไว้บางอย่างนะคะสักพักหนึ่งพวกเขาก็เดินออก แล้วกลับมาพร้อมกับข้าวของเต็มกระดงกันทุกคนในเวลาใกล้ค่ำแล้วก็ลุกๆนั่งๆ่งเหมือนค้นหาสิ่งที่พวกเขาซ่อนเอาไว้แล้วก็พากันเดินหายเข้าไปในถา้าชายดังกล่าวก็ได้มาสังเกตเห็นคนกลุ่มนี้ทำในลักษณะเดียวกันทุกวันวันหนึ่งค่ะชายคนเดิมอยากรู้ว่าคนกลุ่มดังกล่าวเขาซ่อนอะไรเอาไว้เมื่อพวกเขาพากันออกไปแล้วจึงลงจากต้นตาลไปค้นหาดูก็ไม่พบอะไรนอกจากใบไม้ เขาก็เลยหยิบใบไม้ติดมือมาใบหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ที่คนต้นตาลก่อนที่จะขึ้นไปเพื่อเฝ้าดูคนกลุ่มเดิมที่เดินกลับมาครั้นกลุ่มคนดังกล่าวกลับมาก็มาหาของที่ซ่อนไว้เช่นเดิมแล้วก็หายเข้าไปในถ้ำ แต่ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถามไม่ได้เข้าไปด้วยได้แต่นั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่บริเวณหน้าถ้ำชายหนุ่มก็เลยเข้าไปถามถ่ายดูก็ได้ความนะคะว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยเป็นคนเมืองลับแลสาเหตุที่กลับเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบไม้วิเศษใบนั้นเมื่อทราบความแล้วค่ะชายหนุ่มก็เลยเอาใบไม้เนี่ยส่งคืนให้นางก็เลยชักชวนให้ชายหนุ่มไปอยู่ด้วยในเมืองของนางแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปนั้นนางสั่งให้ถือสัตว์อย่างหนึ่งก็คือห้ามพูดปด ชายหนุ่มก็ตกปากรับคำเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเมื่อเข้าไปถึงเมืองรับแลแล้วก็อาศัยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาในทุกๆวันตั้งแต่เช้าตรู่นางก็จะออกไปหาอาหารพอตกเย็นก็กลับมาโดยห้ามไม่ให้สามีออกไปไหนแล้วก็ห้ามพูดปดเด็ดขาดเป็นเช่นนี้มาตลอดจนกระทั่งมีลูกด้วยกันค่ะนางก็เลยสั่งให้สามีเนี่ยเฝ้าเลี้ยงดูลูก วันหนึ่งนะคะลูกน้อยก็เกิดร้องไห้หาแม่อย่างหนักนานแล้วภรรยาก็ยังไม่กลับมาสักทีชายหนุ่มก็เลยเผลอตัวโกหกลูกไปค่ะว่านั่นไงแม่เดินมาแต่ไกลแล้วเพื่อให้ลูกหยุดร้องนะคะแต่ปรากฏค่ะว่าฝ่ายแม่ภรรยาได้ยินเข้าก็เลยสั่งให้ลูกสาวเนี่ยขับไล่ชายโกหกออกจากเมืองทันทีเหตุนี้ทาให้ชายหนุ่มถูกเนรเทศออกจากเมืองลับแลไป เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะที่ฝ่ายภรรยาย่อมอะไรอววร น, นางก็เลยขุดเอาหัวขมิ้นให้หอหนึ่งแล้วก็บอกกับสามีว่าระหว่างทางกลับออกไปเนี่ยอย่าทิ้งสิ่งนี้เมื่อส่งสามีถึงหน้าประตูเมืองลับแลนางก็หันกลับเมืองลับแลหายวับไปกับตา เมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เลยต้องเดินทางไปตามป่าเขาด้วยความยากลําบากห่อขมิ้นก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็เลยแก้ห่อขมิ้นนี่ยโยนทิ้งระหว่างทางไปทีละหัวจนเหลือเพียงหัวเดียวก็เลยกลับมาถึงเรือนเมื่อภรรยาซึ่งเป็นมนุษย์เห็นสามีกลับมาก็ดีใจค่ะพอเห็นห่อผ้าที่สามีวางไว้จึงไปแก้ดูปรากฏว่าเป็นทองคาก้อนโตเลยนะคะเมื่อชายหนุ่มรู้ว่าขมิ้นกลายเป็นทองจึงรีบกลับไปตามทางเดินเพื่อค้นหา ขมินที่ทิ้งไปมากมายแต่ก็ไม่พบอะไรเท่าที่เล่ามาตำนานชาวลับแฝดที่อาศัยอยู่ในถ้ำแกลบของเมืองเพชรบุรีแต่ชาวลับแฝดจะมีชีวิตมีตัวตนตามคำเล่าขานจริงเท็จแค่ไหนนั้นมันเป็นสิ่งที่คนโบราณเล่าขานต่อๆกันมานะคะถ้าจริงคนยุคนี้ไม่มีสิทธิ์ได้พบเจอแน่นอนเพราะว่ากิเลส ต, ตันหาเต็มตัวไปหมด ถึงอย่างไรทุกวันนี้ชาวเพชรบุรีก็ยังคงมีความเชื่อดังกล่าวนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นบริเวณสุดถ้ำแกลบก็จะมีโพรงโพรงหนึ่งซึ่งแคบมากมีชาวบ้านเล่ากันนะครับว่าวันดีคืนดีมักจะมีเสียงปี่พาดลานตะโพนดังออกมาให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ โพรงแคบๆดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นช่องทางไปสู่เมืองรับแลแห่งวัดถ้ำแกลบซึ่งหากจะพูดกันจริงๆแล้วคนก็สามารถเข้าไปได้แต่ก็คงไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์สักกระไดนึงเพราะกลัวว่าเข้าไปแล้วจะกลับออกมาไม่ได้นั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะคะขุมทรัพย์ที่ร่ำลือกันว่าชาวรับแล ร, รักษาไว้ในถ้ำแกลบแห่งนี้ก็ยังคงกลายเป็นเพียงตำนานต่อไปตราบนานเท่านานนะคะ เท่าที่บีเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันไปเรื่องราวของเมืองลับแหลาที่วัดถ้ำแกลบนี้ก็จะไปคล้ายกันนะฮะกับเมืองลับแหลาที่อุตรดิต์นะคะที่บอกว่ามีชายหนุ่มไปเจอกับหญิงสาวแต่ว่าก็อาจจะมีเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนไปบ้างตามตำนานความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันออกไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีของเราด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ